คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะมาอีกแล้วนะคะสำหรับรายการที่จะให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการฝึกกันทางอากาศเลยเอาไว้เป็นพื้นฐานเมื่อถึงเวลาท่านสะดวกจะไปหลีกเรนก็ถือว่าได้มีพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วกับพ่วงโวยการหลักสูตรหลีกเรนของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งได้ให้ธรรมะกับท่านอยู่เป็นประจาทางรายการนี้ รายการสัสนิษฐานนาดิฉันสันนินาพงษ์ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอได้นมัส ก, การท่านเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะนาพวกเราปฏิบัติธรรมทันทีเลยนะคะทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเอาไว้เป็นหลักวิชาในการที่ท่านจะไปฝึกปฏิบัติเองกันต่อจะเกริ่นให้ทราบว่าในส่วนของการได้แจ้งถึงเรื่องทางวัดป่าดอนหายโศกกําลังก่อสร้างพระอุโบสถ แล้วใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะคะรอแค่ปูพื้นในช่วงด้านนอกของพระอุโบสถอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะนั้นก็จึงมีโอกาสสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบุญในลักษณะนี้อยู่และเดี๋ยวดิฉันจะบอกเบอร์บัญชีให้หลังจากที่ท่านจันภยบุญได้นำพวกเราปฏิบัติทมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไปนม้มาสการท่านก่อนเลยค่ะน้นมาสการกับทค่ ะ, คะเชิญพรเวลาที่เรามาสังเกตดูลงหมายใจ นั่นคือเราจะตั้งสติขึ้นละมาในการปฏิบัติธรรมแต่เรื่องราวอะไรต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้เคยฟังเรื่องที่เป็นในทางธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านมาทางหูเราจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างส่วนที่จําได้ในสมองมาเคร้ยดครุญพิจารณาเนี่ยอันนี้มันดีอยู่ละแต่พอเรามีการเคร้ควรพิจารณาเรื่องที่เป็นธรรมะแล้วเราจะาธรรมะที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยมาเข้าสู่ในใจเนี่ยเราจะทําอย่างไร แต่จุดตรงที่ว่าเราจะทําใจกองเราให้มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะใดๆไ ด, ไ ด, ได้อันดับแรกก่อนจิตเรามันจะต้องอ่อนจิตเราจะต้องนุ่มจะทำจิตให้นุ่มจะทําจิตให้อ่อนไม่เป็นจิตที่แข็งกระด้างได้ยินได้ฟังสิ่งใดแล้วมันไม่แบบว่าเป็นจิตที่หยาบแต่แต่เป็นจิตที่อ่อนเนี่ยจิตใจนั้นจะต้องมีสติตั้งขึ้นวิธีในเวลาที่เราจะฝึกสติให้มีเกิดขึ้นนั้นก็โดยการที่เราให้มารู้ลมหายใจของเรา เวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจแน่นอนบางทีก็จะมีความคิดนึกอาจจะเห็นภาพอาจจะได้ยินเสียงอาจจะรู้ถึงมีความคิดในสิ่งใดๆก็ตามอันนี้มันเป็นไปได้เวลาที่เราฟังปฏิบัติเราปฏิบัติตั้งสติขึ้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นในเวลาที่มีความรู้ความคิดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าปริเหมือนกับว่าเตาแต่เตาที่เก็บอวัยวะของตนเอาไว้ในกระดองแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก อาจจะมีสุนัขจิ้งจอกอาจจะมีสิ่งอื่นๆมารบกวนเตา่าเต่าก็จึงเก็บอวัยวะเข้าไปในกระดองของตนในขณะที่เก็บอวัยวะเข้าไปแล้วสุนัขจิ้งจอกนี่ก็อาจจะวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่ ร, บรอบๆเตา่าในนี้เป็นอุปัตมาประมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบขึ้นเพื่อให้เราทราบว่าเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเราเก็บจิตของเราเอาไว้อยู่กับสติละนะตั้งสติขึ้นในใจของเราละแต่ในขณะที่เราตั้งสติขึ้น รู้ลมหายใจอยู่แน่นอนบางทีเราก็รับรู้ถึงสิ่งภายนอกด้วยเหมือนกับเต่าที่เก็บอวัยวะไว้ในกระดองแล้วก็ยังรับรู้ถึงสิ่งภายนอกด้วยคือถ้าเราไปศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตของเต่าเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เต่าเขาหดอวัยวะอยู่ในกระดองเนี่ยเขาจะลืมตาเอาไว้เขาจะไม่หลับตาเช่นเดียวกันในขณะที่เราเก็บจิตของเราเาไว้อยู่ในกระดองคือสติของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เห็นรูปอะไรเลยมันดีรูปก็มาเป็นรูปภาพเป็นความคิดในใจหรือถ้าเปิดตามัมนยังเห็นรูปได้ยินเสียงอะไรต่างๆอยู่อันนี้มันเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจิตของเราที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เนี่ยไม่ไปเกลือกกลั้วในความคิดในอารมณ์คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมากับเตา่าการไปเกลือกกลั้ว ก็คือเปรียบเหมือนกับการที่เต่ายื่นขาหรือยื่นหางหรือยื่นหัวเข้ามาออกไปถ้าสุ น, นัขจิ้งจอกได้โอกาสมันก็จะกัดตรงนั้นแล้วก็ดึงเคราออกไปจิตของเราที่รู้มีสติอยู่เนี่ยไม่ไปเกลือกลั้วในอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านไปผ่านมาแต่ความคิดมีมาก็ให้มันผ่านไปเราตั้งสติของเราไว้อยู่ลหมหายใจไม่ลืมหลงลมหายใจการที่เราไม่ลืมหลงลมหายใจรุ่นหายใจอยู่มีความคิดอย่างอื่นอยู่ไปด้วยถ้าเบอบว่า จิตของเราเนี within, ่ยเอาไปใส่ไว sure ้ตรงไหนตรงนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมาถ้าจิตของเราเอาไปใส่ไว้ตรงความคิดนึกตรงนั้นความคิดนั้นจะมีกําลังขึ้นมาเหมือนก็จะทําให้เราลืมหลงลมหายใจไปปรุงแต่งปายเผลอเพลินไปลืมหลงลมหายใจไปแต่ถ้าเราเอาจิตของเรามาใส่ไว้กับลมมีความคิดก็ตามแต่ไม่เอาจิตไปใส่ไว้ตรงความคิดความคิดก็มีของมันไปเอาจิตมาใส่ไว้ตรงลมจิตที่มาอยู่กับลมสติก็จะมีกําลังขึ้นมา สติที่มีกําลังขึ้นมาอย่างนี้จะช่วยรักษาจิตไม่ให้ตกไปอยู่ในอํานาจของสิ่งที่มากระทบจะเป็นความคิดที่จะทําให้เกิดความกังขาความไม่พอใจในสิ่งต่างๆใดๆที่ผ่านไปผ่านมาเราไม่เอาจิตของเราไว้ตรงนั้นแต่เอาจิตของเรามาไว้อยู่กับลมสติก็จะมีกําลังขึ้นมารักษาจิตของเราความคิดที่ผ่านไปผ่านมากับความที่เราไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ความเกลือกลัว เราจะขยายความต่อไปตรงนี้ในขณะที่เราตั้งจิตของเราให้ดีอยู่กับสติเนี่ยคือลมหายใจเนี่ยคือการที่เราไปยินดีพอใจในภาษาที่มากระทบจะเป็นความคิดจะเป็นเสียงที่ผ่านมาก็ตามหรือการที่เราสึกขยะยแยงไม่พอใจเกลียดชังเสียงหรือความคิดต่างๆที่มากระทบนี่ก็แล้วสเนของจิตที่ถ้าจะไปเกลื่อนกลัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตของเราให้ดีด้วยสติที่ผ่านเข้าผ่านออกโดยการมารู้ อยู่ลมหายใจที่ปันเข้าปั่นออกนี้เราก็สามารถที่จะไม่ให้จิตของเราไปเกลือนกล้ววันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบก็สามารถที่จะตั้งสติให้มีกำลังฝึกปฏิบัติไปได้ทั้งวันเลยเช่นพอนค่ะสาธุค่ะท่านฝั่งบางท่านที่ปฏิบัติตามอยู่เพลอๆ อ, อาจจะได้รับความรู้สึกที่ท่านพิบูลได้กล่าวไปนะคะคือเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ย ก็ทําให้เราไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยในช่วงนี้ถ้ามีความทุกข์อยู่นะคะมันจะสบายสๆนะซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเขาเรียกอะไรคะมันเป็นมันเป็นเพราะผัสสะที่เราไปผัสสะน่ะเป็นผัสสะที่ไม่มีความคิดที่ทําให้เรามีความทุกข์ถูกไหมคะคือเราไม่ไปเกลือกกลั้วในสิ่งนั้นค่ะนะคะก็ลองไปทําดูนะคะว่าเป็นอย่างที่ท่านพิบูลได้กล่าวหรือเปล่า ดิฉันสัญญาไว้ว่าจะบอกเบอร์สําหรับที่จะทําบุญปิดจ็อบสร้างพระอโอเบสดวัดป่าดอนหายโศกสร้างมานานเท่าไหร่คะนั้นกันโอ้โหหลวงพ่อสร้างมาตั้งแต่ปีสองห้าสี่มั้งใช่ไหมคะดิฉันเข้าใจว่านานมากแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสเดินขึ้นไปก็เห็นว่างดงามอย่างพอดีพดีนะคะอืมแล้วบางเอิญที่ดิฉันมีความรู้สึกนี้มากๆกกับเพราะว่าไปเจอน่าจะเป็นหัวหน้า คนที่กําลังทํางานช่วงจะปิดจ็อบอะคะ่ะเ oh. <laughs> ดี๋ยฉันเข้าไปเงียบเงีเขาก็ตะโกนมาว่าหินแกรนิตมาหรื อ, อยังเ <laughs> ดี๋ยฉันก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ทราบนะคะแต่ว่ามาได้ความกระจางภายหลังนะคะว่า hmm. ตอนเนี้ยถ้ามีปัจจัยซื้อหินแกรนิตมาก็จะปูได้เสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นได้บอกบุญไปยังเพื่อนๆให้ทําบุญตรงไปที่ วัดเขาก็ช่วยๆกันดิยังเข้าใจว่าจากที่ได้ยินมาว่าเหลือประมาณหกแสนบาทจะทำให้เสร็จเลยเนี่ยก็น่าจะน้อยลงไปเยอะแล้วนะคะก็คนละไม้ ค, คนละมือคิดไว้อย่างนั้นใช่ค่ะเพราะ น, นั้นถ้าท่านมีศรัทธานะคะก็มีบัญชีของวัดป่าดอนหายโศกชื่อนี้เลยนะคะวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานี วัดป่าดอนหายโศธนาคารกลรุงไทยจังหวัดอุดรธานีหมายเลขเบอร์บัญชีนะคะ4013286955 5. อีกครั้งนะคะ4013286955 5. ค่ะก็อนุโมทนาสำหรับท่านที่มีศรัทธาเป็นกุศล ช่วยกันคลไม้คลมือนี้ทีนี้ก็มาถึงเวลาที่จะฟังธรรมกันนะคะต่อเป็นการฟังลักษณะการตอบคำถามซึ่งคุณอัญชีพสาชายมงคลท่านก็บอกว่าให้ตอบในรายการนี้โยมจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดในระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดคอสที่จะถึงใช่ไหมคะใช่ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละวันที่สิบเก้า็จะของเดือนกันยายนะจะจบวันที่ยี่สบเจ็ด โยมมีคำถามที่จะเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะหนึ่งแม่คำถามนี้ควรจะเป็นดิฉันถามเลยนะคะโยมติดกาแฟมากค่ะตื่นมาแล้วต้องทานเลยถ้าไม่ทานแล้วจะปวดศีรษะอยากทราบว่าทางวัดมีน้ำปานะที่เป็นกาแฟไหมคะอันนี้<ต>ดิฉันตอบเองได้ไหมคะเตือนตอบได้เลย <laughs> ขออนุญาตนะคะคุณอัญชิสาคือดิฉันนี่แหละเป็นคนติดกาแฟก็ไปด้วยความกังวลในช่วงแรก แต่พอไปเข้าจริงๆมีให้บริการนะคะทั้งชาทั้งกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆในลักษณะที่พอควรแก่ฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ได้ก็แล้วกันอืแต่อยากที่จะให้ได้ไปเจอของจริงด้วยประสบการณ์ของตัวท่านเองเดี๋ยวไม่เหลือความตื่นเต้นนะคะอืดิฉันยืนยันไม่อยู่ได้แล้วก็ทําให้เราควบคุมการดื่มกาแฟ ของเราให้อยู่ในปริมาณที่น้อยกว่าอยู่ที่บ้านได้ค่ะนะครับรับรองไม่ปวดหัวแน่ค่ะถ้าปวดหัวก็มียาแก้ปวดหัวให้นะค ะ, ะข้อที่สอันดคะที่วัดมีที่ซักล้างอุปกรณ์ในการซักผ้าไหมคะมดิฉันตอบดีกว่านะคะเออใช่ใช่คุณยังอ่มีแต่ไม่อยากจะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ถ้ามีเสื้อผ้าเพียงพอ กรลปนาเตรียมมาให้พอจะดีกว่านะคะต่ออย่างนี้เหมาะแล้วนะคะใช่ใช่่ชต่อไปข้อที่สามค่ะโยมเดินทางโดยรถทัวร์ไปกลับอยากทราบว่าขากลับออกจากวัดมีรถมาส่งที่สถานีขนส่งอุดรไหมคะจะได้ตีตัวกลับไวล่วงหน้าเลยอยากทราบเวลาชัดเจนถ้าออกจากวัดวันกลับแล้วจะใช้เวลาเดินทางมาที่ขนส่งประมาณกี่โมงมเพราะรถกลับเข้ากรุงเทพมีสองเที่ยว บริการประทับใจมากค่ะคุณอัญชิสาคะจะมี <c oughs> ชาวบ้านที่นั่นนะคะเขาก็เอารถของเขาที่มีอยู่เนี่ยมาให้บริการพวกเราก็จ่ายค่ารถกันไปสําหรับการจองเที่ยวรถถ้าอยู่ปฏิบัติธรรมถึงวันสุดท้าย6กโมงเช้าใช่ไหมคะที่อนุญาตให้ใ<ช>ออกจากวัดได้เลยหกโมงเช้าใช่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงขนส่งไหมครเพราะที่ฉันคุ้นเคยกับการไปสนามบินค่ะเออก็ประมาณ30สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกัน เห็นไหมไม่มีความกังวลอะไรเลยคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะคําถามของคนที่อาจจะมีความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมจะกินยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งลักษณะเนี่ยถ้าเราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคุณหยงติวเราจะต้องให้อยู่ง่ายกินง่ายนะให้อยู่ง่ายกินง่ายแต่แต่คําว่าอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแบบอยู่กลางดินกินกลางทรายมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น ที่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลิศรู้ขนาดโรงแรมห้าดาวหกดาวก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็พออยู่พอมีพอกินไปได้และไม่ลําบากทีนี้ลักษณะของคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าบอกว่าเราอยู่สบายอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณอยู่สบายแล้วกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมไปแล้วถ้าอยู่ลําบากกุศลธรรมเกิด อกุศลธรรมเสื่อมไปฟังต่งนี้ให้ดีนะคือถ้าอยู่สบายแล้วอากุศลธรรมเนี่ยมันมันเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปแต่ถ้าอยู่ลําบากแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมไปเนี่ยให้มาอยู่ลําบากให้มาอยู่ลําบากเตรียมพร้อมเพื่อจะมาอยู่ลําบากนะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า <ặt> ถ้าอยู่ลําบากแล้วกุศลธรรมคุณเจริญขึ้นน่ะแล้วอากุศลธรรมมันเสื่อมไปมันดีนะมันดีการที่เราอยู่ง่ายกินง่าย ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมากยังแบบว่าอย่างที่คุณยอมติว่าว่าเราพึ่งกาแฟน้อยลงหรือบางวันไม่ได้พึ่งเลยเออวันนี้ลองสักวันหนึ่งนะมากินดูมันจะปวดหัวไหมเออบางวันมันก็ไม่ปวดแฮะก็ไม่ต้องพึ่งเลยเออมันก็ดีกุศลธรรมเนี่ยมันมันเจริญมากขึ้นอกุศลธรรมเนี่ยความที่เราจะต้องไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เรไลออสิ่งอื่นเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแเพราะนั้นให้เตรียมมาที่จะอยู่ลําบากเลยพระพุจ้าว่าอย่างนี้ค่ะ คือดิฉันเนี่ยคิดว่าอยากจะให้เวลานี้มันเป็นประโยชน์ในแง่ของให้ธรรมะมากเพราะฉะนั้นจะไม่ขยายความรายละเอียดแต่พูดภาพรวมเลยนะคะคุณอัญธิสาถือว่าเป็นการอยู่สบายในระดับหนึ่งทีเดียวแล ะ, ะได้ฝึกตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟืยอยอได้ฝึกตัวเองให้อยู่ในที่ที่ไม่วุ่นวายนะคะแล้วถ้าปรับตัวได้เนี่ย เดี๋ยวฉันเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะคะเราอาจจะปรับการใช้ชีวิตเพราะได้พบแล้วว่าถ้าท้องเบาๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันอ่าได้พบว่าการมีวินัยเป็นเวลามเวลาในทุกขณะเนี่ยดีนะคะแต่พอกลับมาเนี่ยมันทำลำบากเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่น ก็ลองดูนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณอัญชีสาจะต้องบอกโอ้ยสบายกว่าที่คิดเยอะเพราะว่ายิ่งกังวลในทางที่คิดว่าจะลําบากมากเนี่ยก็จะน่าได้พบว่าไม่ลําบากเท่าที่คิดค่ะดิฉันเห็นบางท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ไปปฏิบัติมาเจอหน้าที่ไรบอกนะติดใจส้มตำ <laughs> เรื่องอาหารก็ในเรื่องของกา ร, รปฏิบัติธรรมนี้เราให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายมีความสันโดษในบริการแห่งชีวิตก็จะทําให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก้าวหน้า แต่ที่เราจัดให้อยู่ง uhm, ่ายกินง่ายๆเนี่ยเพื่อให้ไม่ม like <Okay. S 1> ีภาระมากพอเรามีภาระน้อยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้การปฏิบัติธรรมของเรานี่คือจุดประสงค์เลยนะมันจะมีความก้าวหน้ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคนระดับที่อยู่กรุงเทพสุขสบายก็ไปปฏิบัติกันหลายครั้งสืกเนื่องกันเขาก็อยู่ได้นะคะใช่ใค่ะแล้วก็ในแผ่นพับที่ให้เรื่องหลีกเล่นสมาธิวิปัสสนา รายละเอียดของหลักสูตรเนี่ยตอบคำถามหลายๆคำถามเอาไว้หมดแล้วถ้าเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะเจอเหมือนกันใช่ใช่ในเคนะคะค่ะคุณอัญชิสาลองเปิดไปดูนะคะใน FAQ ของวัดป่าดอนหายโศ ท่านคะเมะื่อคืเมื่อวานท่านได้พูดค้างเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านเรื่องใบโพล่าตามคำถามของคุณนภาแล้วพอดีชั้นเอ่ยเรื่องโรคซึมเศร้าท่านบอกอยากพูดในวันถัดมาค่ะก็นิมนต์เลยค่ะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอันนี้เป็นเคสสตั๊ดี้ที่อ่านจะมาอ่านมานะจากาเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยทางด้านการซึมเศร้าเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอุปนิสัยด้วยแต่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้า เป็นโรค depression แล้วเขาก็มีความคิดที่เป็นลักษณะเทือกเ น, นี้ก็คือว่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจตัวฉันไม่ดีไม่มีใครรักฉันคิดแบบนี้อยู่เรื่อยจนกระทั่งปรุงแต่งมากไปปรุงแต่งมากไปจนกระทั่งกลายเป็นโรค depression เป็นความโรคซึมเศร้าบางทีต้องไปหาหมอปรึกษาจิตแพทย์ต้องมี counseling session อะไรต่างๆแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอย่างี้ <Okay. S 1> ทีนี้เขาก็เริ่มมาแบบจะต้องแก้ไขตัวเองแหละเพราะว่ามันทาให้ชีวิตเขาทุกข์มากเลย แต่เขาพยายามจะแก้ไขตัวเองโดยการจับว่าความคิดของฉันที่เป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมจิตฉันน้อมไปคิดอย่างนี้เรื่อยทำไมจิตฉันเป็นไปในแนวนี้ทําไมฉันบังคับจิตตัวเองไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะสังเกตจิตของตัวเองแต่เขาก็มาจับได้ว่าไอ้ความที่เขามาคิดน้อยเนื้อต่ําใจนึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีไม่มีใครรักไม่มีทําคุณค่าอะไรให้สังคมอะไรได้เนี่ยความคิดประเภทนี้มันเริ่มของวันแต่ละวันเนี่ยนะพอตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมันจะมาเริ่มตอนที่อยู่ที่ทํางาน แต่ก็จับได้ตรงนี้พ <Okay. S 1> อเข้าที่ทํางานปุ๊บความคิดประเภทนี้มันคิดมาก่อนละคนนี้ก็ดูสิมองสายตามองชั้นด้วยสายตาที่เป็นแบบนี้ก็คิดปรุงแต่งไปก่อนละะจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะ <Okay. S 1> พอวันต่อมาเขาพยายามที่จะจับอีกคือคนเราเนี่ยนะถ้าผมว่าเราไม่รู้ปัญหาของตัวเองเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้เพราะงั้นการที่เราจะเริ่มก่อนว่าเราจะต้องหาปหัญหาให้เจอการหาปหัญหาให้เจอก็คือการมีสติแต่คุณตั้ง <Okay. S 1> สติขึ้นถ้าเราไม่เห็นปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เราเห็นปัญหาแล้วบางทีเราอาจจะยังแก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันอาจจะแก้ได้ถ้าเราจับมันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุภาพจิตท่านนี้ก็พยายามที่จะจับตรงนี้ว่าไอ้ความคิดประเภทนี้มันเริ่มขึ้นตอนไห น, นก็จับได้ตอนที่มาอยู่ที่เตรียมงานเดีวสอาวันผ่านไปคือเขาพยายามทําทุกวันจับทุกวันพยายามที่จะสังเกตจิตของตัวเองทุกวันแต่วันที่2องมาสังเกตได้ระหว่างทางที่กําลังเดินทางไปทํางา น, นกําลังนั่งรถไฟไปทํางานเนี่ยไอ้ความคิดนี้มันโผล่ขึ้นมา ดูสิชั้นเดินทางมาต่ำต้อยนั่งรถไฟมาอะไรก็คิดไปเรองนี้อีกละ่ะจับตัวเองได้ตรงนี้พอวันที่3ถัดมาจับได้ตอนที่กําลังจะออกจากบ้านออกจากบ้านมาแล้วกาลังจะออกจากบ้านตรงนี้ส่วนที่กําลังจะออกจากประตูบ้านเดินออกมาแล้วเนี่ยจับความคิดตรงนี้ได้ว่าพอออกมาข้างนอกดูสิอากาศเป็นอย่างนี้เพื่อนข้างบ้านเป็นงั้นทําไมชีวิตฉันจะต้องมาทํางานอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะแต่เขาเริ่มจับตัวเองได้ เ, เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอวันที่4มาก็จับได้ตรงนี้อีก จับตัวเองได้ว่ามีความคิดประเภทนี้ในขณะที่กําลังจะออกจากบ้านวันที่5ก็จับได้ตรงที่กําลังจะออกจากบ้านอีกเหมือนกันะพอวันที่6ก็จับได้ตรงนี้อีกเหมือนกันะจับว่าตัวเองมีความคิดที่เกิดขึ้นนะตรงตําแหน่งที่กําลังจะออกจากบ้านตรงนี้นะ <c oughs> คือตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันต่างๆไม่ได้มีความคิดประเภทนี้ก็ยังทั่วๆไปอยู่จนกระทั่งจะออกจากบ้านกําลังออกจากบ้านมาเนี่ยเกิดความคิดประเภทนี้ขึ้นมาทันทีแ้วเขาก็เลยมาสังเกตเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้ สีห้าวันหลัง ม, มันมีความคิดนี้เกิดขึ้นมาตอนที่กําลังจอดจากบ้านนะปรากฏว่าที่ประตูบ้านตรงที่เป็นทางออกของบ้านเขาเนี่ยนะคุณโยมติณนะจากข้างในเนี่ยนะประตูด้านในเนี่ยบ้านของผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมีการตกแต่งด้านนี้โน่นไว้นะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นชั้นแล้วเขาก็วางตุ๊กตาไว้ตัวหนึ่งนะปรากฏว่าตุ๊กตาตัวเนี้เป็นตุ๊กตาที่เขาเก็บมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนอยุคเขาประมาณ4ี่ห้าขวบนี่แหละนะเขาเก็บมา เป็นตุ๊กตาที่เขาได้รับเป็นของขวัญวันเกิดนั่นคือสุภาพสตรีท่านนี้มีฝาแฝดเออเป็นแฝดเป็นแฝดคนพี่เนี่ยนะและงานฉลองวันเกิดอายุกรรอบ3หรื4อ4ีขวบของเขาในปีนั้นเนี่ยเราก็บว่าทุกคนก็เอาของขวัญวันเกิดอะไรให้แต่แฝดคนพี่ให้แต่แฝดคนพี่แล้วก็ไม่มีใครให้ของขวัญวันเกิดเขาเลยแ ล, แล้วก็ฝาแฝดคนพี่เนี่ยก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนี้มอบให้เขามอบให้สุภาพสตรีคนนี้ ที่เป็นเด็กในตอนนั้นตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยเป็นเครื่องหมายที่สแสดงถึงการที่โอไม่มีใครรักฉันเลยอารมณ์พวกนีน้มันเลยดึงมาหมดนะจังหวะนั้นตอนนี้ก็เป็นเด็กตอนนั้นแ ต, ตรงนี้คือเป็นทริกเกอร์เป็นเครื่องระลึกถึงเป็นเครื่องหมายพูดง่ายๆคือเป็นนิมิตเป็นนิมิตคือเครื่องหมายของสุภาพสตรี ต, ตรงนี้ที่ทําให้ดึงอารมณ์ความรู้สึกเก่าๆตรงนั้นออกมาเป็นพัวนหมดทาให้มีความคิดที่ปรุงแต่งไปในทางที่ว่าไม่มีใครรากชีวิฉันไม่มีประโยชน์ คือมันเป็นแนวที่ว่าน้อยเนื้อต่ําใจเป็นแนว depression เป็นแนวที่จิตตกไปแล้วนะ <Okay. S 1> คือถ้ามากต่อไปกว่านี้ก็จะฆ่าตัวตายละเอาพูดง่ายๆเลยนะอ่านะ <Okay. S 1> เพราะมันมีทริกเกอร์ตรงนี้มีจุดที่เรียกว่าเป็นทําให้มีนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วความคิดประเภทนี้ก็มีฝึกมาเรื่อยๆแบบสั่งสมมาเป็นนานนานมากจ น, กนตั้งเป็นนิสัยแต่เพราะนั้นไอ้ตรงประเด็นที่ว่าเออเรามีลักษณะว่ามีความคิดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นนิสัยเหมือนกันนะ <Okay. S 2> ลักษณะนิสัยทางใจอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีนิสัยจี๊ก่อนล่ะใครพูดอะไรมาขัดเคืองปุ๊บมาาันจะจี๊ทันทีแต่บางคน อ, อย่างคนที่ฝึกจิต ด, ดีแล้วบางคนเนี่ยจะมีนิสัยเมตตาใครพูดอะไรมาไม่น่าพอใจฟังแล้วมันขัดเคืองจะรู้สึกแบบเมตตาเขาแต่บางคนก็จะรู้สึกอายคือจิตใจมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะ <Okay. S 2> พอมีใครพูดเรื่องที่มันไม่ดีอะไรขึ้นมาโอ้จะรู้สึกอายแบบไม่อยากฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็มีคือ เป็นนิสัยในทางความคิดของเขาแต่คือนิสัยมันก็จะมีนิสัยทางกายทางวาจาและก็ทางใจ น, นี่เรากำลังพูดถึงนิสัยทางใจนะ <Okay. S 1> นิสัยทางใจที่จิตน้อมไปนิสัยทางกายก็อย่างเช่นว่าคนที่ชอบล่วงแค่แกะเกาแต่เด็กก็มาเกาหัวอยู่เรื่อยจนเป็นนิสัยหรือบางคนกินข้าวเสร็จต้องซูบบุรีอันนี้ก็เป็นนิสัยหรือนิสัยทางวาจาก็อย่างเช่นว่าฉันต้องเป็นคนพูดคนสุดท้าย ใครจะพูดอะไรมาฉันต้องปิดจบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ก็มีอันนี้คือนิสัยทีนี้ไอเรื่องของนิสัยเนี่ยที่มันทำกันมาคือคําว่า น, นิสัยเนี่ยถ้าเราปเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยเขาจะให้ความหมายว่าสิ่งที่ทําจนเป็นปกติแต่สิ่งที่ทําจนเคยชินคุ้นชินไปแล้วเวลาที่เร า, เาทําสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจารหรือทางใจเนี่ยจะใช้กําลังจิตที่น้อยแต่คือมันเป็นอัตโนมัติไปเลยในขณะที่ถ้าเราทําสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เนี่ย จะต้องใช้กําลังจิตมากคือสมมุติว่าถ้าคนที่กินข้าวแล้วต้องแปลงฟันเลยเนี่ยนะทาจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยถ้าจะให้มากินข้าวแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนที่จะไม่ได้แปลงฟันเนี่ยก็จะทําไม่ได้คือแบบจะแบบรู้สึกขัดเครื่องรู้สึกจะทําไม่ได้ต้องใช้กําลังจิตในการทําอย่างมากแต่ถ้ากินข้าวแล้วปุ๊บแปลงฟันเลยเนี่ยมันอัตโนมัติเลยมันไม่ต้องใช้กําลังจิตมากคือทําได้เลยหรืออย่างคนที่กินอาหารสั่งข้าวมากินแล้วต้องสั่งเบียร์ด้วยแบบนี้ก็มีนะ แม่ถ้าจะไม่สั่งรู้สึกมันขาดอะไรไปอย่างนึงมันทําไม่ได้มันต้องทำอ่ะคือลักษณะนี้นี่คือเป็นนิสัยแต่เพราะฉะนั้นนิสัยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาแบบที่เป็นไบโพล่าหรือว่าเป็นดิเพรสชันเราจึงต้องคอยที่จะมาจับตัวเองตรงนี้ได้ลักษณะการที่เราจะมาจับตัวเองได้มาคอยสังเกตดูเนี่ยโหคำนี้คือสติเลยคุณยมดิวคําว่าสติเลยคือการระลึกได้นะแล้วการที่เรามาสังเกตอ ย, อย่างของคุณสุภาพศรีท่านเนี้ย ที่ว่ามีตุ๊กตาตัวนี้อันนี้คือเป็นนิมิตของเขาเป็นทริกเกอร์ของเขาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นทริกเกอร์ที่จะทำให้เกิดนิสัยแบบนี้ขึ้นแต่คือนิสัยนี้มันเป็นอัตโนมัติเลยนะคือคือถ้ามันต้องมีตัวอะไรมาจี้จุดเพื่อใมันเกิดปุมบุ่มขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่จุดที่มาจี้เนี่ยเช่นคนที่สูบบุหรี่ก็คือกินข้าวอิ่มอิ่มท้องแล้วมันจะรู้สึกว่ามันต้องสูบคนที่กินอาหารแล้วต้องแปลงฟันเลยมันก็จะรู้สึกว่ามีอะไรมาขัดขัดอยู่ที่ปากมันต้องงแปฟัน มันก็จะมีตัวทริกเกอร์ตรงนี้เราต้องสังเกตให้ดีว่าจิตของเราเนี่ยมีนิมิตอะไรมีเครื่องหมายอะไรค่ะฟังเหมือนกับว่าท่านอาจารย์กำลังพูดสองเรื่องไปพร้อมกันคือเรื่องของจิตวิทยานะคะกับเรื่องของธรรมะทีะ่การฝึกฝึกธรรมะฝึกสติอตามแนวทางของพระพุทธองค์เนี่ยใช่ใชเพราะว่าดิฉันสังเกตนะคะว่าถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยา เราจะได้พบว่าเขาจะวิเคราะห์คนและลักษณะอย่างที่ท่านยกตัวอย่างผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี่ยอื้อวิเคราะห์แล้วก็หาเหตุจนกระทั่งได้พบว่าไม่ใช่เรื่องไม่มีที่ไปที่มาอืแต่ว่าบางทีมันฝังอยู่จนเจ้าตัวนี่ยังไม่รู้เลยไม่รู้ตัวใช่นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทับซ้อนกันอยู่ท่านกรณ์จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใชอ่จึงจึงสามารถจริงๆไม่ต้องถ้าเราไม่รู้เหตุเลยได้ไหมคะแล้วเราแก้เลย เรามาสร้างสติเลยอย่างเงี้ยนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไงว่าไอ้ตรงจุดที่ว่าเราพยายามที่จะจับตัวเองให้ได้ว่าเ อ, อ๊ะทำไมเรามีความคิดแบบนี้อันนี้คือสติอันนี้คือสติแล้วเราพยายามจะเปลี่ยนเนะเปลี่ยนจากการที่ไม่มีสติ plus สติให้มีสติอันนี้คือการทำจริงแนวจริงนี่คือกําลังจิตอันนี้คือสัมมาวยายมะค่ะเนะี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสติขึ้นการที่เราทําความเพียรขึ้นตั้งสติคือสัมมาสตินะ คู่กับ <Okay. S 1> สัมมาวายามะคือการทําจริงแน่แน่จริงตรงนี้เป็นพลังจิตนะ <Okay. S 1> คุณใช้พลังจิตใส่เข้าไปคุณทําสติให้เกิดขึ้น2 อ, อย่างนี้มาคู่กันนะเราสามารถที่จะสนับสนุนให้อะไรเกิดก็ได้แล่จะสนับสนุนให้การคิดที่ดีเกิดได้แต่ต้องมีสมาสติต้องมีสมาวายามะสนับสนุนให้มีวาจาที่ดีเกิดก็ได้แต่ต้องมีสมาสติต้องมีสมาสมาธิ <Okay. S 1> แต่ตรงเนี้ยเป็นพระสูตรที่พระพุทธาอธิบายเลยว่าคุณจ ะ, จะเจริญสัมมาวาจาอย่างเงี้ย คุณต้องมีสัมมาสติมีสัมมาวยมามะด้วยนะนะเป็นองค์ที่มาพร้อมกันเป็นองค์ที่มาด้วยกันอ๋อเหรอคะอท่านมีพุทธพจน์บทนี้อยู่กใกล้ใกลมั้ยครมี<ะ>มีพระพุตรเช่าได้อธิบายถึงว่าบุคคลที่เจริญสัมมาวาจาเนี่ยมีสัมมาสติเป็นองค์นําหน้าแนำนําหน้าอย่างไรคือการที่เขารู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาวาจาอันนี้เป็นมิจฉาวาจาอันนี้คือสัมมาทิฏฐิะคะการที่เขามีสติละสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจา มีสติเจริญสัมมาวาจาเนี่ยอันนี้เป็นสมาสติในการที่เขามีความเพียรในการที่จะละมิจฉาวาจาเจริญสัมมาวาจาเนี่ยนี่เป็นสัมมาวายามะเนียเพราะฉะนั้นองค์3ามประการที่มาพร้อมกับสัมมาวาจาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติและสัมมาวายามะนี่3มอย่างนี้ต้องมาคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอา3ามอย่างนี้นะคุณยมติวน ะ, ะสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าใช่ไหม อย่าง ก, กรณีของสุภาพสตรีท่านนี้เขารู้ว่าฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉันต้องแกแ้่เพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีเขารู้แล้วว่าความคิดแบบนี้นนนมันไม่ดีเป็นมิจฉาอย่างใดอย่างหนึง่งแหะในที่นี้ก็คือมิจฉาสังกปะนะเขารู้ว่าอันนี้มันเป็นมิจฉาสังกปะพยายามที่จะเปลี่ยนจะพยายามที่จะแก้ตรงนี้คือเขามีความคิดที่ถูกแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วแล้วเขาพยายามที่จะมาจับให้ได้มาสังเกตดูว่ามันเริ่มตรงไหนมันจบไปยังไงนี่คือมีสัมมาสตินี่คืออย่างที่สอง แล้วก็อย่างที่สามคือทําจริงแน่จริงให้มันเกิดคือสัมมาวายมะสามอย่างนี้นะคือทิฏฐิสติแล้วก็วายมะสามารถที่จะเอาไปแวดล้อมการคิดคือสัมมาสังคัปปะให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะไปแวดล้อมการพูดคือสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะไปแวดล้อมการกระทําคือสัมมากรรมตักให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะไปแวดล้อมการดํารงชีวิตคือสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้นได้อันนี้สามอย่างนี้จึงสําคัญมากเลยค่ะ สัมมาทั้งหลายท่านฟังถ้าเคยท่อง <c oughs> ก็จําได้นะคะว่เ<ร>า<จ>เป็นอริยมรรคในองคแปดแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแหละที่พระพุทธองค์ได้ตรัสชี้ทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงว่าให้ปฏิบัติตามมรรคเหล่านี้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้พบว่าจากการที่ตัวอย่างมานะคะว่าจะแก้ไขคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะแก้ได้อย่างไร ก็แก้ด้วยเจริญมักเดินมักถูกไหมคะใช่นะคะแล้วอย่าง อ, าอย่างกรณีของคนที่เป็นไบโพล a r อย่างเงี้ย ค, คือมันมีอาการจี้ขึ้นมา น, นี่คือคุณมีความคิดที่ไม่ถูกต้องนะมีมิจฉาสังกปะแล้วนะเอาเราพยายามที่จะละตรงนีนะ้นั่นคือคุณเจริญสมาวิยาม ะ, ะเราเราอาจจะยังละไม่ได้ล่ละแต่ว่าตั้งสติให้มันรู้ว่ามันมีนะอันนี้ก็คือคปีนสัมมาสติอะอย่างน้อยมันก็ยังรู้อะ ก็ดีขึ้น ค, คือเรียนกําลังคิดว่าโอ้โหเนี่ยต้องมีบุญจริงๆเลยนะถึงจะแบบว่าเได้รู้ตัวใช่ไหมคะว่าเออเรากาลังมีปัญหานี้นะได้พบว่าชั้นทําไมมันเวลาชั้นมันปรีดขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็ปรีดมากเลยมันหดหูซึมเศร้าแล้วมันก็หดหูมากเลยเกิน อ, อื ม, มันต้องมีอะไรที่เป็นเหตุซึ่งอันเนี้ยดิฉคิดว่าชาวพุทธน่าจะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมคะว่าทุกอย่างนั้นมันเกิดแต่เหตุ ตรงตนี้แหละคือเป็นเดนที่สําคัญว่าสัมมาทิฏฐิที่รเราจะมาคิดว่าเอออันนี้มันไม่ถูก น, ะมนม่มันไม่ไม่น่าจะเกิดหนะ่ามันไม่ดีหน่อย่างเงี้ยไอการที่จะมีความคิดแบบนี้สัมมาทิฏฐิที่คุณโยมติว Spec s <S ว่าเป็นบุญมากโชคดีมากเนี่ยสัมมาทิฏฐิตรงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเหตุของการเกิดสัมมาทิฏฐิกับเหตุของการเกิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันคล้ายคลึงกันเลยนะคุณโยมติวนั้นดับแรกก่อน <ound> ก็คือมีการโฆษณาชวนเชื่น มีการโฆษณาชวนเชื่อของชาาอื <th> ่นนะถ้ามาบวกกับการทำในใจโดยไม่แยบข่ายคือโยนิโสมณัสสิการอันนี้จะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแต่การโฆษณาชวนเชื่อของชนาอื่นถ้ามาบวกกับการทำในใจโดยแยบขายคือโยนิโสมณัสิกานอันนี้ก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้แต่ประเนเราต้องโยนิโสมณัสสิการให้ดีให้ถูกการโยนิโสมณัสสิการให้ดีให้ถูกก็คือการที่เรามา ใคควรพิจารณาตามอริยสัจสี่นั่นเองไม่ยากเลยง่ายมากค่ะนะคะจับหลักให้ดีนะคะสิ่งที่ท่านพิบูลพูดท่านเข้าใจว่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเราก็ท่องมานะคะพุทธเจา้าตรัสรู้สี่อย่างเนี่ยอริยสัจสีเนี่ยแต่นี่บอกว่าโยนิโสมณสิการเนี่ยคือนําเอาอริยสัจสี่เนี่ยมาใช้ใชก่ก็คือสรุปแล้วถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้พยายามออกมาใช้ถูกไหมคะจบเลยอืมใช่ไหมคะท่านฝรั่งัท่านคิดว่าวันเนี้ย ต้องถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้ธรรมะที่สําคัญมากจากท่านพไบบูลพระมหาพไบบูลอภิปุนโนนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรอีกเร้นของวัดป่าดอนหายโศกอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี <c oughs> ค่ะก็กราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะ <c oughs> ท่านฟังที่รครบที่เชิญ ส, สัมสีณาพงศ์นี่ลาจะบอกท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยเตรียมไว้ก่อนมีลูกก็ต้องเตรียมให้รู้จักการดําเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะฝึกได้ด้วยการที่ให้เด็กเล็กๆของเราเนี่ย รู้ลมหายใจเขาจะรู้ป๊อปปแป๊บแ ป, ะปะนะคะนาทีครึ่งนาทีก็จะมีความสามารถมากขึ้นตามความถี่ที่เขาได้มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่างไม่น่าเชื่อจะสามารถป้องกันปัญหาร้ายแรงได้เช่นอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยบางคนโอ้โหมารู้เมื่อสายสูญเสียลูกหลานคนเป็นที่รักไปซะแล้วเพราะว่าเขาบอกโรคซึมเศร้า จำนวนมากทีเดียวที่ลงท้ายไปด้วยการฆ่าตัวตายนะคะวันนี้เราก็ฝากเอาไว้สําหรับธรรมะดีๆนําไปปฏิบัติก็ได้รับประโยชน์กันสําหรับท่านนั้นนะคะดิฉัน ส, สันสหน้าพง์นั้นจะมาสนทนารรมกับพระมหภาภัยบูร์เฉพาะวันพระหัสบดีกับวันศุกร์แต่สําหรับธรรมะที่ท่านให้เรามีตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะที่ f m ฟเอแห่งเดียวกันนี้เวลาเดียวกันเลยค่ะสัปดาห์นี้ ลท่านฟังทั้งหลายทุกทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าพุทธวสสดีค่ะ